พุทธศาสนาของเรามากเพราะว่าเีต ก, การณ์ซึ่งเกิดวันมาครับหชาขึ้นเนี่ยพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งจะมีครั้งเดียวที่ พิเศษอยูอในสมัยเป็นนักเรียนอ่ะเราเคยท่องว่าเป็นวันจาตุรงคสันนิบาตคือมีเหตุการณ์สี่อย่างเกิดขึ้นอันที่หนึ่งจะต้องเป็นวันเพ็ญเดือนสามเขาจึงเรียกว่ามาคะบูชาเป็นการบูชาในเดือนสามในสมัยครั้งพระพุทธเจ้าเนี่ยนนศาสนาอื่นๆเขาก็มีวันนี้เป็นวันพิเศษเหมือนกันคือวันเพ็ญเดือนสามเนี่ยจะมีพิธีอะไรต่างๆมากมายเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าจึงอา สวันสําคัญอันเนี้ยทำให้เกิดเหตุการณ์พิเศษขึ้นมาพระองค์ก็เสด็จมาที่นี่1วันเพ็นเดือน 32. พระอาหารหันต์หนึ่รูปซึ่งเป็นสาวกของพระเจ้าเนี่ยเดินทางมาที่นี่โดยไม่ได้นันหมายหมายถึงเป็นการสื่อสารกันทางจิตใจด้วยญาตว่าพอมีเหตุการณ์สมควรที่จะมาพร้อมกันแล้วก็มาพร้อมกันที่นี่ตอนนั้นน่ะสาวพระพุทธเจ้านี่ตัดสรู้เรา9เดือนเนี่ยระหว่าง9เดือนนั้นสาวกของพระองค์เป็นพระอรหันต ครบหนึ่รูปมาพบกันมาพร้อมกันที่นี่โดยไม่ได้นัดหมายอันที่สทุกองค์เป็นพ่อาหารหมดแล้วก็มีอภิญญาทั้ง6มีอภิญญาครบอันที่4ี่ก็คือว่าเป็นสาวกที่พระพุทธเจ้าบวชให้ทั้งหมดเรียกว่าเอหิพิขุอุบาสัมปทาหมายความว่าแค่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดเนี่ยพร้อมเลยผมก็ไม่ต้องโกนบริขานก็พร้อมมีผ้ามีอะไรเกิดขึ้นอันนี้ ด้วยอานุภาพของพระพุทธเจ้าด้วยบารมีที่พระเหล่านั้นเคยสร้างสมอบรมมามีความปรารถนาอย่างนั้นมาถ้าหากว่าสาวกของเจ้าองค์ไหนแม้แต่บรรลุฟราหันแล้วแต่ไม่เคยสร้างบารมีมาเนี่ยก็ไม่ปรากฏบริขารเกิดขึ้นพระองค์ต้องให้ไปหาบริขารอีกทีหนึง่งทีนี้พอมาพร้อมกันแล้วนะพระพุทธเจ้าก็ประกาศประกาศหลักธรรมะเพราะว่าในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่เนี่ยมันก็มีลัทธิต่างๆมากมาย แต่ละละที่ก็จะมีหลักของตัวเองเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็วางหลักเรียกว่าประกาศหลักธรรมของาศาสนาพุทธอย่างชัดเจนคืออาศัยวันนี้แหละนะวันมาฆบูชาเนี่ยเราก็มาก่อนนิดหน่อยอันที่จริงวันมาฆบูชาเนี่ยก็จะมีขึ้นในวันที่18บแกุมภาพันธ์นี่แหละไป น, นั้นว่าเราเนี่ยก็มาถวายความเคารพเนื่องในวันมาฆบูชาด้วยการมาปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้า เพราะนั้นเรามาฟังโอวาตปาติโมกโอวาตก็คือคําสอนปาติโมกก็คือหลักคําสอนที่เป็นหลักก็คือเป็นหลักของพระพุทธศาสนามีอะไรบ้างให้เราลองฟังดูอันแรกเลยท่านตัดว่าตัดกับพระละหันนะพันสองร้รูปว่าขันตีปรมังตโปตีติขาขันติคือความอกกันเป็นตะบะอย่างยิ่งเข้าใจว่าในสมัยก่อนนะตะบะบำเพ็ญตะบะเยอะนะยืนตากแดดบ้างยืนขาเดียวบ้างอดอาหารบ้าง ห้อยหัวบ้าเคยดูในทีวีนะในในในวีซีดีอะยอมรับเลยนะว่าตาบะเขาแก่กล้านะเอาขาเนี่ยมันมันมันมัคล้องายจริงไม้ห้อยหัวโอ้โหเป็นวันวันได้นะหรืหลายวันก็ไม่รู้นะเราเห็นนะแสดงถึงพลังกิตของเขาเนี่ยแ น, แน่แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ถือว่าเป็นตาบะอย่างยิ่งพุทธะวัคคันตินี่คือความอดกัน้นถ้าหากว่าเวลามีอะไรมากระทบใจเราอะ <c oughs> ถ้าเราสามารถอดกันนะ้นความรู้สึกที่จิตใจของ เราเนี่ยมันจะไปเป็นทุกข์ได้เนี่ยโหมันยอดกว่ากันเลยนะมันประเสริฐกว่ากันมากน ะ, ะถ้าเอาเอาขาเนี่ยเอาขาพาดกิ่งไม้ห้อยหัวอยู่เป็นเดือนหรือว่านั่งยืนขาเดียวเป็นเดือนอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาออกมาแล้วถ้ากระทบอารมณ์แล้วจิตใจมันก็ยังทัตย์สายยังเป็นทุกข์ยังโกรธเคืองยังเต็มไปด้วยความรุ่มร้อนภายในจิตใจเนี่ยคือความทุกข์เนี่ยมันยังกุ้มลุมจิตใจอ ย, อยู่พระพุทธเจ้าก็เลยไม่เรียกว่าเป็นตบาบะที่ยอดเยี่ยมแต่ พระพุทธเจ้าตรัสว่าขันตีปรมังตโปตีติขาขันติคือความอดกั้นเป็นตบะอย่างยิ่งถ้าอดกั้นธรรมดาก็นี่แหละอดท่านต่ออดกั้นต่อความร้อนความหนาวความหิวเนี่ยอดกั้นต่อเวทุกขเวทนาทั้งหลายที่อยู่ภายนอกแต่ถ้าหากว่าอดกั้นอย่างยอดเยี่ยมจะต้องอดกัน้นต่อความรู้สึกที่จะทําให้จิตใจของเราเนี่ยมันไหลไปในทางที่จะทําให้เป็นทุกข์คิดดูถ้าหากว่าเราไม่เป็นทุกข์ได้เนี่ยมันจะประเสริฐแค่ไหนภายใน จิตใจของเราเพราะฉนั้นเราลองสัมรวมจิตใจเราเข้ามาเนี่ยลองเอาหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยเข้ามาไว้ในใจของเราอาศัยสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประกาศหลักธรรมที่แน่นอนซึ่งเป็นหลักธรรมคำสอนของพระองค์เองเรียกว่าโอวาทปาติโมกหรือโอวาตปาติโมกคือคำสอนที่เป็นหลักของพระพุทธศาสนานั่นเองคำสอนที่เป็นหลักของพระพุทธเจ้าก็ว่าได้หรือคำสอนที่เป็นหลักของ พระพุทธศาสนาของเราในเมื่อพระพุทธเจ้าวางหลักคำสอนเอาไว้อย่างนี้แล้วพระองค์ก็ตัดกับพ่อหลานทั้งหลายที่มาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายทั้ง 1,250 ลรูปแค่เก้าเดือนจากวันที่พระองค์ตัดสรุ้แล้วมาถึงวันมาค่าบูชาเนี่ยเวลาเก้าเดือนพระองค์มีสาวกทั้งหมด 1,250 รูปแล้วก็เดินทางมาพบกันยังสถานที่นี้ในวันเพ็ญเดือนสโดยไม่ได้นัดหมายแล้วทุกองมี ยาพินยาหกทั้งหมดแล้วทุกองค์พระพุทธเจ้าบวชให้โดยใช้เอหิพิกุอุปสัมปทาคือตรัสว่าเธอจงเป็นพิกษูมาเธอเพราะฉะนั้นข้อแรกเนี่ยคือให้ใจเรามีขันติเพราะฉะนั้นเราต้องรวบรวมกําลังจิตใจมากนะถึงจะมีขันติได้นั่นก็คือสติของเราเนี่ยต้องดีเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงจึงประทานคําสอนเอาไว้ในเรื่องของการเจริญสติเนี่ยหรือ ใ, ในในการปฏิบัติธรรมไม่ว่าขั้นไหนก็ตามระดับไหนก็ตามจะต้องมีสติเขา ตลอดต้องมีสติเนี่ยเข้าไปอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราอยากจะเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าอยากมีธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งทาง จ, จิตใจเราต้องรวบรวมสติของเราสัมรวมจิตใจของเราก็ใช่รวบรวมกําลังจิตใจของเราก็ใช่เป็นการสัมรวมสติเป็นการเจริญสติทําอะไรอยู่ก็พยายามให้มีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาได้เท่าไหร่ยิ่งดียิ่งมากยิ่งดีเถอะไปก็แล้วไปเพราะเราพูด กันแล้วว่าพระประสงค์ของพระพุทธเจ้านั้นน่ะสอนให้เราทําเหตุให้พอใจทําเหตุไม่ใช่ไปคาดหวังเอาผลว่าผลต้องอย่างนั้นอย่างนี้พอใจที่จะทําเหตุขอให้เราได้กระทําเหตุได้กระทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ทําตามพระประสงค์ของพระพุทธเจ้ายิ่งเรารู้หลักในคําสอนของพระองค์เพิ่มเติมขึ้นแล้วพระองค์มีเป้าหมายแน่ชัดเพื่อเข้ามามีสติรู้ทันจิตใจของเราให้จิตใจ ของเราเนี่ยอยู่ในอำนาจของสติของเราเองแล้วความทุกข์ทั้งปวงเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเพราะความทุกข์เนี่ยมันก็เกิดจากจิตเราที่มันไหลไปอ่ะที่มันเพลินไปอ่ะเอาสิว่าตาเห็นอะไรทับเนี่ยจิตเราก็ต้องปฏิยาทางจิตก็ต้องเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นถ้าหากว่ามันมันมันไม่ไปมันไม่อยู่ในความสนใจอ่ะเราก็ปฏิยาของจิตก็เฉยๆมันก็เป็นธรรมดามันเป็นเป็นความคิดธรรมดาธรรดาเกิดแล้วกระดับไปแต่ถ้าเราไม่สังเกตเราก็ไม่เห็นว่ามันเกิดและดับนะมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาเนี่ย ก็ยังเป็นโมหะอยู่นะเป็นยังเป็นความหลงอยู่เป็นความที่มันไม่ไม่เห็นความจริงอ่ะแต่ถ้าหากว่าเรามีสตินะเข้ามาควบคุมจิตเราเนี่ยกระทบปั๊บเนี่ยมันเร็วมากเลยนะถ้าไม่ถูกใจปั๊บเนี่ยมันปั้งขึ้นมาในขนาดนั้นอ่ะในขณะจิตนั้นอ่ะถ้าเราไม่ทันนะจิตเราจิตยึดแล้เนี่ยความรวดเร็วในการที่ไปยึดจิตเนี่ยมันี่จะมีตัวตนเกาะเกิดขึ้นมาเนี่ยคือมันมีเวทนาชนิดหนึ่งคือความไม่สบายเกิดขึ้นแล้วมันก็มีแรงดึงดูดทาให้จิตใจของเราเนี่ยไปเกาะอ่ะคำว่าไปเกาะเนี่ย มันคือไปติดละคือมันอยากให้เป็นอย่างหนึ่งแต่มันเป็นอีกอย่างหนึ่งนเนี่ยเมันก็มีปัญหาอยู่ในนั้นแหละความอยากมันก็เกิดขึ้นนี่ในกระแสจิตเนี่ยมันรวดเร็วอย่างเนี้ยแล้วแล้วเราเราจะหวังว่าจะไม่ให้มันมีทุกข์ไม่มีทุกข์อ่ะมันเป็นไปได้ยากมากนอกจากว่าเราจะต้องใช้คําว่าพยายามพยายามมีสติมีสติคอยสังเกตนะจิตใจของเราจึงต้องมารวบรวมกําลังจิตใจของเรารวบรวมกําลังของสติให้รู้เท่าทันกระแสจิตของเรานะถ้ามันยินดีมันก็จะไปอีกอย่างหนึ่ง มันก็เกาะเหมือนกันนะทับเนี่ยเกิดความยินดีพอใจเออมันมันเป็นไปอย่างที่เราอยากเราต้องการแล้นี่เกิดตันหาขึ้นมานะมันพอใจมันพอใจมันก็คลอยปรุงแต่งไปเพลินไปไหลไปไอ้ไอ้ที่จิตที่มันไหลไปเนี่ยเขาเรียกว่าอุปาทานมันมีอุปาทานในเรื่องใดก็คือมันเพลินไปในเรื่องนั้นมันไหลไปกับเรื่องนั้นถ้าจะตัดอุปาทานก็คือละความเพลินละไอ้ความอาการที่จิตเราไหลไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเราจึงต้องมีสติเข้ามาควบคุมจิตเราการที่จะมีความอดทนอดกั้นภายในจิตของเรา ไม่ยห้จิตของเราไหลไปไม่เกิดอารมณ์ต่างๆความทุกข์ต่างๆมาครอบงาจิตเราได้เนี่ยเราต้องพยายามมีสตินะสติควบคุมจิตไว้ทําอย่างอื่นหมวดอื่นทั้งหลายทั้งปวงของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องมีสตินี่แหละเป็นเหตุมีสติเป็นมูลเป็นหลักใหญ่เลยเพราะฉะนั้นถึงเราไม่รู้ทำมหมวดไหนก็ตามไม่รู้ไอๆทาอย่างอื่นก็ตามแต่ให้เรามีหลักก็คือพยายามเจริญสติพยายามสร้างเหตุพยายามทําเหตุคือให้สติเนี่ยก็เกิดขึ้นที่ จิตใจของเราถ้าเรายินดิ้นรนอยากรู้มากๆเนี่ยแต่ขาดการเจริญสติไอ้ไอ้ความรู้ของเรานี่ยนะมันก็กลายเป็นความจำไปเป็นความรู้ที่มันไม่สามารถที่จะดับทุกภายในจิตใจของเราได้แต่ถ้าหาว่าเรามีสติรู้อาการที่จิตของเราเนี่ยมันจะไหลไปมันจะเพลินไปมันจะไปในเรื่องไหนก็ช่างเรารู้ทันมันก่อนให้มันดับไปก่อนให้มันให้จิตของเราเป็นอุเบกขาก่อนให้จิตของเราไม่ยินดีไม่ยินร้ายไปก่อนเนี่ยเราจะรู้สึกสบายเราจะสบายสบายแต่ ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ทําอะไรนะพอจิตของเรามันมั่นคงจิตของเรามันมันเป็นอุเบกขาเราไม่ถูกแรงดึงดูดของอารมณ์เนี่ยให้จิตเราไหลไปเพลินไปเนี่ยเรากลับตัดสินใจได้ดีเรากลับเกี่ยวข้องกับทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความมีสติสัมปชัญญะด้วยความที่จิตของเราเป็น ก, ากลางๆงไม่มีอคติไม่มีความลําเอียงเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปทันทีเลยเราจะรู้สึกว่าชีวิตมันมีค่าขึ้นมาเลยเราจะรู้สึกว่าโอ้ชีวิตนี้มันมีความสุขได้ คูอโดยที่สิ่งแวดล้อมยังเหมือนเดิมทุกอย่างเนี่ยเรายังเกี่ยวข้องกับทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าเราเริ่มฉลาดภายในจิตของเราเราเริ่มมีสติเราเริ่มเข้ามาควบคุมจิตเราได้เราเริ่มยับยั้งความที่จิตของเรามันไหลไปมันเพลินไปเราสามารถละอุปาทานได้ตัดอุปาทานได้ถ้าเรารู้ทันมันมันดับไปจิตของเราเราวางเฉยได้เป็นปกติอยู่ได้จิตของเราไม่ไปยินดียินไล่มันไอ้ไอ้ภพเนี่ยไอ้พบที่มันจะก่อเกิดเป็นเรื่องราว เาต่างๆขึ้นมางอกงามขึ้นในจิตในใจของเราเนี่ยที่มันจะมีแต่เรื่องราวต่างๆทับถมอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยก็จะขาดไปทันทีเลยเพราะเรารู้ทันเนี่ยเราตัดอุปทานได้แล้วมันก็ไม่ไม่เพลินไป พอไม่เพลินไปจิตของเราก็เป็นอิสระจากอารมณ์ต่างๆไม่มีอุปาทานแต่ถ้าหากว่าเราไม่ทันมันเพลินไปพอเพลินไปมันก็เนี่ยท่านเรียกว่ามีพบมีพบก็คือมันท่านใช้คําว่าเจริญงอกงามภัยบูนขึ้นแล้วเรื่องราวต่างๆเริ่มเจริญงอกงามไัยบูนขึ้นมีเรื่องมากขึ้นมากขึ้นแล้วเรื่องเหล่านั้นจะมีน้ําหนักมันจะมีน้ําหนักในจิตเรานะที่นี่อ่าทีแรกเรื่องนิดเดียวแต่พอมันปรุงแต่งไปมากเข้ามากเข้าอย่างอย่างเราโกรธใครสักคนแหมมันไอคนเนี่ยมันเลวมันไม่ดีเลยอ มันแสดงค่าทางอย่างงน้นอย่างนี้ยิ่งเราสนใจได้ยินได้ฟังประมวลไอ้ข้อมูลประมวลใอ้ไอ้เรื่องราวของคนนั้นมาไว้ในจิตของเราเนี่ยน้ำหนักยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะกลายเป็นความเกลียดชังกลายเป็นความเรียกว่าพยาบาทมาตรายเนี่ยจิตเรามันก็รุ่มร้อนขึ้นมาละเนี่ยนี่แหละที่มันท่านเรียกว่ามันเป็นชาติหมายว่ามันฝังลงไปในจิตใจของเรามันมีน้ําหนักต่อจิตใจของเราจนมีอาการทางจิตเหมือนกับว่ามันจะเป็นผู้ร้ายขึ้นมาในจิตเราแล้วถ้าเราโกรธ ถ้าเราชอบใจก็มันเหมือนกับว่าโหมันจะเป็นเรื่องที่ทําให้เราเกิดทุกข์เกิดความทรมานขึ้นมาเอาบางทีเราเราลองคิดดูนะเราอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยโอ้โหบางทีเหมือนใจจะขาดเลยนะทนไม่ได้นะบางทีแค่แค่อยากจะดูอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันทนไม่ไหวที่จะต้องไปดูนี่คือมันมีน้ําหนักอยู่ในจิตใจของเราบางทีเรื่องนิดเดียวอ่ะแต่มันทนไม่ได้เพราะเรื่องนั้นอ่ะมันเป็นชาติมันเป็นตัวเป็นตนก็เกิดขึ้นในจิตใจของเรามันมีน้ําหนักมีความรุนแรงขึ้นในจิตในใจของ นี่มันเกิดตรงนี้ก่อนเลยนะเกิดที่จิตเราก่อนอะ่ะ uh, แล้วนี่แหละนี่แถ้าหาว่าเราตายไปในขนาดนั้นอนะ่ะนั่นเราพบชาติของเรามันจะไปตรงนั้นอะ่ะตรงที่มันมีน้ำหนักอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยเนี่ยทั้งพบชาติที่ก่อเกิดขึ้นในจิตแล้วก็พบชาติที่มันจะเกิดข้ามพบข้ามชาติเนี่ยมันก็ต้องมาจากในจิตเรานี่ก่อนเนี่ยเพราะฉะนั้นดูสิพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมองทะลุไปหมดเลยนีไม่ว่าท่านจะจะพูดธรรมะในแง่ไหนมันก็จะต้องตรงเข้ามาหาจิตของเราผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้านั่นแหละก็คือตรงเข้ามาหาจิตของ แต่ละคนนี้เองเพราะฉนั้นพระองค์จึงตัดเลยนะข้อแรกเลยขันตีปรมังตโปตีติขาขันติความอดกันเป็นตะบะอย่างยิ่งนั่นก็คือว่าตะบะของพระพุทธเจ้าต้องเป็นตะบะที่มีความอดทนอดกันไม่ให้สิ่งต่างๆเนี่ยมาปรุงแก่งจิตเรามามีน้ําหนักภายในจิตใจของเราจนจิตใจของเราเนี่ยต้องเป็นทาสของมันทนไม่ได้ใจแทบขาดอย่างนั้นอะ่ะก็แสดงว่ามันมีความรุนแรงมากเพราะฉะนั้นเราต้องอดทนอดทนดูมันนะมีสติ ด, ดูมันเฝ้าดูมันบางทีก็ ต้องฝืนไม่ทําตามมันเพื่อที่จะให้ได้เห็นมันเพื่อจะอดทนอดกั้นต่อมันความอดทนโลกั้นจะได้มีน้ําหนักมากขึ้นเนี่ยคันติในในแง่มุมของพระพุทธเจ้าต้องเป็นความอดทนที่จะไม่ทําตามอํานาจของพวกกิเลสตัณหาพวกอุปาทานเหล่านี้เนี่ยก็คือต้องเป็นอิสระจากอารมณ์พวกนี้เราจึงจะไม่มีทุกข์จิตใจของเราเนี่ยจะมีความสุขมีความโปร่งโล่งเบาสบายทีนี้เราได้พูดแล้วว่าไม่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่เกี่ยวข้องกับอะไรเลยนะภายในจิตของเรา เนี่ยหลังจากที่มันเป็นอิสระแล้วมันเป็นตัวของตัวเองแล้วมันไม่มีความเอ็นเอียงมันไม่มีความลำเอียงไม่มีอารมณ์ใดเลยที่มันจะมามีแรงดึงดูดมีแรงผลักต้านมีแรงฉุดกระชากจิตของเราเนี่ยให้ไหลไปเราเป็นอิสระขึ้นมาทีนี้การตัดสินใจของเราหรือการเกี่ยวข้องของเราที่จะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเนี่ยมันเกี่ยวข้องด้วยความเป็นอิสระเกี่ยวข้องอย่างถูกต้องเกี่ยวข้องอย่างเหมาะส ม, สมเกี่ยวข้องด้วยความเป็นธรรมเนี่ยความถูกต้องชอบธรรม เนี่ยมันจะต้องมาจากจิตเนี่ยที่มันที่มันมีสติเข้าไปควบคุมอ่าแล้วก็มีสมาธิคือใจที่ตั้งมั่นแล้วก็มีปัญญาที่จะเห็นอารมณ์เหล่านี้มันดับไปจากจิตใจของเราด้วยจนเราเนี่ยไม่เป็นทาสของมันเราสังเกตเลยนะถ้าหากว่าเราเป็นทาสของสิ่งใดก็ตามสิ่งนั้นมันจะมีอิทธิพลต่อใจเรามันจะมีน้ำหนักในจิตใจของเราเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเนี่ยมันเป็นทาสอะไรสักอย่างหนึ่งอะไม่เป็นตัวของตัวเองเลยเดี๋ยวเรื่องนั้นจะดึงไปเรื่องนี้ ดึงไปโหมันทรมานมากเลยนะนี่ถ้าาว่าเราไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับคําสอนของพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยมันก็ยิ่งทุกข์มากกว่านี้ถ้าเรารู้แล้วเราไม่สนใจไปปฏิบัติให้มันเกิดผลขึ้นแก่ใจิตใจของเรามันก็เหมือนกับไม่รู้นะทีนี้เพราะอะไรเพราะมันไม่เกิดผลแก่ใจิตใจของเราแต่เมื่อเรารู้แล้วเราพยายามไม่ได้หมาก็วาม่าเราจะต้องวันนั้นวันนี้ว่าจะต้องได้ผลนะอันนี้ก็เป็นความยากอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่สอนให้เราไปเพ่งที่ผลไม่ไปคาดหวังผลให้ทําเหตุเพราะนั้นทำไปเรื่อยๆทำด้วย จิตใจที่สบายสบายเนี่ยปฏิบัติไปทําใจสบายสบา ย, บายเจอผลเป็นยังไงก็ดูไปสิสังเกตไปสิเพราะเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วหลักข้อที่สองนิพพานังปรามังวัดันติพุทธาพระนิพพานเป็นบรมทัพหรือพระนิพพานเป็นธรรมอย่างยิ่งหรือพระนิพพานเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐสูงสุดนั่นก็คือว่าการที่จิตของเราเป็นอิสระจิตของเราอ่ะไม่มีอะไรเข้าไปปรุงแต่งได้จิตของเราที่ไม่มีอะไรเข้ามาครอบงำเนี่ยพระ อ, องค์ถือว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งประเสริฐสูงสุด องตัดกับพ่อลาหนทั้งหลายอ่ะพูดปั๊บพ่อลาหนก็ต้องมีสภาวะหลองหับมันเป็นความจริงอ่ะทุกคนก็ลื่นเลงบันเทิงตัวอยู่ในใจแล้วโอ้โหมันเป็นอิสระมันไม่มีทุกเลยนะมองไปโลกภายนอกคนที่ยังเข้าไม่ถึงอ่ะโอ้โหมีแต่สิ่งปรุงแต่งมันมีแต่เรื่องราวมันมีแต่เรื่องไร้สาระมันมีแต่อันนู้นอันนี้ซึ่งจิตน่ยมันสร้างขึ้นมาจิตตัวเองปรุงแต่งขึ้นมาจิตตัวเองสร้างขึ้นมาแล้วจิตตัวเองก็หลงไปตามมันอ่ะวิ่งไปตามมันอ่ะมันเหมือนกับว่ามันไม่มีเหตุผผลลบงททีีไมม่เเหตุุกก็็ปน เพราะฉะนั้นพอผู้เจ้าตัดว่าเนี่ยนิพพานังนิบานังปรามังวัดันติบุท ธ, ธ า, นานิพพานเป็นธรรมอย่างยิ่งทุกคนก็มีสภาวะธรรมรองรับอะมองเข้ามาที่จิตของตัวเองเนี่ยมันต้องสว่างออกไปถึงข้างนอกมันเข้าใจสิ่งแวดล้อมภายนอกทั้งหมดทันทีเลยมีสิ่งนี้สิ่งเดียวเท่านั้นอะที่มันเยือกเย็นที่มันสะอาดที่มันบริสุทธิ์ที่ไม่มีอะไรเจือปนนอกนั้นยังเป็นธาตุของอารมณ์ยังเป็นธาตุาของความไม่รู้แจ้งยังเป็นธาตุของความหลงผิดยัง เป็นธาตุของกิเลสตัณหาก็ถูกหมดอะ่ะมันเป็นอันเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นคนที่มีจิตใจเป็นอิสระเนี่ยมันจะมองเข้ามาเนี่ยถ้าหากว่าไม่เห็นว่าสิ่งนี้ประเสริฐมันเป็นไปไม่ได้เลยพอที่จะตัดปั๊บเนี่ยมันก็เข้าถึงใจทุกคนลื่นเริงบันเทิงขึ้นมาในจิตใจเนี่ยธรรมะข้อที่1นึ่งธรรมะข้อที่สองก็เป็นเรื่องราวภายในจิตที่จะไม่ให้จิตเราเป็นทุกข์ทีนี้ถ้าหากว่าในฐานะที่เราเป็นสาวก ข, ของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องพยายามสิให้สมกับเราเป็นสาวก ข, ของพระเจ้าให้สมกับที่เราได้ยินได้ฟังทั คำสอนของพระพุทยเจ้าคำว่าพระสัทธรรมในที่นี้หมายถึงว่าคําสอนที่ให้เราตรงไปสู่ความดับทุกตรงไปสู่ความไม่มีทุกตรงไปสู่ความพ้นทุกขนะคือเรียกว่ามันมันต้องเป็นของจริงของแท้ที่จะเข้าไปถึงสัจธรรมที่แน่นอนนะไม่ไม่งั้นนะมันไม่เรียกว่าสัตว์พระสัทธรรมถ้าว่าพระสัตทธรรมแล้วต้องเป็นธรรมะที่ตรงไปหาความพ้นทุกทีนี้เราเราพูดอย่างนี้พูดในแง่ของผลแต่ถ้าพูดในแง่เหตุว่าเออควรทํายังไงพระเจ้ากระทานเวลาพยายามมีสติแล้วก็บอกด้วยว่าการเจร เจริสตินั่นแหละมันเป็นหลักใหญ่เป็นหลักธรรมทั้งหมดเมื่อจเจริญสติสตินี้กําลังขึ้นมามีสัมปชัญญะขึ้นมามีปัญญาแต่ปัญญามันรวดเร็วกลายเป็นสัมปชัญญะืออยู่รอบรอบติดล้อมรอบจิตของเราเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันก็จะมีฉลาดมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆพอมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เนี่ยท่านว่าอาริยมรรคมีองแปดก็สมบูรณ์แล้วอริยมรรคมีองแปดเนี่ยมันจะบางคีเมื่อไหร่มันก็ดับทุกข์ได้เป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยมันต้องเริ่มด้วยสติปะฐานทั้ง4นนั่แหละ มีเราเราพูดย่อๆว่ า, ามีสติก็แล้วกันจเจริญสติหรือสติสมัติชัญญะ ก็แล้วกันแล้วก็มีความเพียรคือความเพียรในทัศนคของโมะพุทธเจ้าก็คือความเพียรที่ยับยั้งจิตของเราโอดกั้นแม่จิตเราไหลไปเพลืนไปเก่าอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันเพียรระดับระดับจิตละเพียรอยู่ภายในจิตละถ้าเพียรเดินจงกรมเพียรนั่งสมาธิมันกลายเป็นเพียรภายนอกไปก็ทําได้ก็เป็นเดี๋ยวก็เป็นแสดงถึงว่ามีความเพียรเหมือนกันแต่ถ้าเทียบกับความเพียรภายในที่จิตมันเป็นเองอ่ะการที่เราเจริญสติบ่อยๆบ่อยๆเนี่ยไอ้สตินี่มันจะเป็นอัตโนมัติขึ้้นนมมาไดสััปปชญะก็็จเ อัตโนมัติขึ้นมาได้โดยที่มันเพียรอยู่ในจิตเราเองเป็นขึ้นมาในจิตของเราเองไงถึงแม้ว่าจิตเรามันจะเลือ่อนลอยไปบางทีมันมีอารมณ์ต่างๆมากมายอย่างเรานั่งรถถานมาเดี๋ยวก็มีเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็มองดูไปแต่พอเราหันจิตกลับเข้ามาหาตัวเองมันก็เข้ามาดูจิตเรามีสติมันก็เข้ามาถึงเรามองดูถ้าเรามีสติเราก็มีสติในการดูก็เรียกว่ายังมีสติอยู่มีสติในการดูถ้าหาว่าเราละจากการดูภายนอกเราเข้ามาดูจิตเราเข้ามาดูตัวเราก็มีสติ เข้ามาเห็นจิตใจของเราเนี่ยถ้าหาว่ามีสติโดยอัตโนมัติเนี่ยการปฏิบัติธรรมก็จะง่ายขึ้นในสมัยที่อาตมายังทํางานอยู่ก็เหมือนกันพอได้ยินอาจารย์คนนึงเขาบอกว่าเจอคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วได้ผลดีเนี่ยต้องเจริญสติทุกออียบบทเลยทาอะไรอยู่ก็ตามให้มีสติเพราะอันนั้นมันเข้ามาในจิตเราพอดีเลยพราะเรากําลังปฏิบัติอยู่เพอได้ยินอย่างงี้ปั๊บยังเป็นคารวะอยู่กําลังไปเรียนหนังสืออยู่กรรมตอนนั้นก็ไปเรียนต่อก็ได้ได้ฟังแล้วก็เอาเข้ามาแล้วเราก็พยายามปฏิบัติ ที่นี่เดินไปเดินมาทําอะไรอยู่ก็พยายามทีแรกก็ฝืนหน่อยฝืนหน่อยแต่ต่อมานี่รู้สึกว่าเอนั่งอยู่มันมันก็สงบอ่ะเพราะสติของเรามันคมจิตไว้เดินไปเดินมาก็มีสติอ่ะก็เลยเป็นอันว่าเราทําอะไรอยู่ก็ตามอ่ะเป็นการปฏิบททัติรำหมดเลยแล้วมันก็น่าอัศจรรย์นนะมันคล้ายๆทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นมาเองโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยเราถึงว่าจงเชื่อมั่นว่าอ้ถ้าว่าใครอยากพบความสําเร็จเนี่ยให้ตั้งใจปฏิบัติตามคําสอนของผู้อย่างนี้แหละแล้วก็คือมาปฏิบัติจิตเรานี่แหละ มารักษาจิตของเรานี่แหละเมื่อจิตของเราดีแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าไอ้ไอ้สิ่งเนี้ยมันทําให้มันทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นมาแล้วก็เคยเคยพิสูจน์เหมือนกันนะอันนี้อัน น, นี้อาจจะนอกเรื่องนิดนึงคือคือคนที่เข า, อ, าอยากจนหรือเป็นหนี้เป็นสินอะไรเนี่ยเราก็แนะนําไปบอกว่าเนี่ยทำบุญกันแล้กันนะแล้วก็อุทิศบุญอะไรไปแล้วก็ให้เนี่ยให้พวกสมาชิกหรือบริวารอะไรกันแล้วแต่ได้ร่วมทําบุญกันด้วยพากันอุทิศบุญแล้วก็ภายในครอบครัวเนี่ยให้ปฏิบัติตามคํา สอนของพระพุทธเจ้าให้ได้มากที่สุดนะกลางคืนมาก็ไหว้พระหน่อยนะสวดมนต์ย่อๆเพื่อเตรียมจิตใจให้สงบจากนั้นก็ทําจิตใจให้สงบแล้วก็ตั้งใจอุทิศบุญกันถ้าเป็นไปได้ทําทั้งครอบครัวเลยนะหรือบางโอกาสก็ให้บริวารเนี่ยได้มีโอกาสทําอย่างนี้บ้างตามโอกาสเขาพยายามทําตามแล้วก็เห็นเขาประสบผลสําเร็จนะเราก็เลยยิ่งเชื่อว่าอ๋ออานาจของบุญเนี่ยมันช่วยได้จริงมันเป็นขึ้นมาจริงคือเ่อเราพูดจากหลักฐานนะเราไม่ได้พูดจากไอ้ไอ้ไอ้ปาฏิหาร หรือว่ามีสิ่งนั้นสิ่งนี้มาดนบันดาลนะพอเราเราทําอย่างนี้แล้วพอจิตมันดีขึ้นมาแล้วการเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเนี่ยภายนอกมันก็ดีขึ้นการเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันมันก็ดีขึ้นมาแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกับว่าพอจิตมันดีสติมันดีทําอะไรมันก็ว่าที่จะผิดพลาดมันก็น้อยอกับความถูกต้องชอบทำมันก็เกิดขึ้นมาเนี่ยสภาวะที่มันเหมาะสมในชุมชนนั้นในองค์กรนั้นอ่ะมันก็มีขึ้นมันก็เกิดขึ้นอ่ะมันก็เลยประสบผลสําเร็จทุกคนก็ยิ่งมีคุณภาพขึ้น มีศีลมีธรรมขึ้นมาพูดกันก็ยิ่งง่ายคบค้าสมาคมกันก็ง่ายวางใจกันไดน้มองตากันก็เข้าใจกันเลยสบายสบา ย, ยก็เป็นองค์กรที่ดีขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันอันนี้หลายที่ที่เขาทาแล้วประสบผลสําเร็จเราก็เห็นว่าอ๋อนี่นาะธรรมมาของมูทเจ้าเนี่ยมันมันช่วยได้ทั้งภายนอกภายในเลยนะภายนอ ก, นอกความเป็นอยู่เนี่ยเอาในครอบครัวก็เหมือนกันนะเราบอกว่าเออเอาครอบครัวเนี่ยช่วยกันปฏิบัติธรรมนะสอนลูกให้รู้จักไหวพ า, าสวดมนต์ด้วยพ่อแม่ก็ทําเป็นตัวอย่าง าพากันรักษาใจให้สงบนะไม่ต้องไปหวังว่าผลต้องอย่างนั้นอย่างนี้หรอกเราทําให้มันถูกต้องกันแล้วกันแล้วก็เผื่อแผ่บุญกุศลออกไปอุทิศบุญไปเนี่ยครอบครัวก็อุปปูนครอบครัวก็สงบเยือกเย็ น, นแล้วก็ลูกเต้าก็ค่อยๆเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นหรือว่าสามีหรือภรรยาก็แล้วแต่ล ะ, ะเคยมีปัญหาเคยมีอะไรกันพอเริ่มพัฒนาอย่างนี้แล้วก็ดีขึ้ น, นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นห ล, ะ ล, ะละักหลักภูวาหลักคําสอนของพระพุทธเจ้า ก, ก็คือ อันดับแรกคือให้มีขันติขันติความอดกลั้นเป็นตะบะอย่างยิ่งเราต้องค่อยฝึกฝนแต่ขันติจะมีได้ก็ต้องมีสติเข้ามาควบคุมจิตใจของเราแล้วก็พระ อ, องค์ตัดกับพระหลานก็คือว่าพูดถึงผลเลยว่าเนี่ยถ้าหาว่าจิตมันสะอาดบริสุทธิ์ได้จิตเป็นอิสระได้จิตมันอยู่เหนือโลกได้จิตมันพ้นจากทุกได้นั่นแหล ะ, ะเป็นธรรมอันยิ่งเป็นบรมธรรมเนี่ยแต่ถ้าหาว่าเราในฐานะเป็นสาวกของพระเจ้าเรามีหน้าที่ปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์เราก็มาเจริญสติเนี่ย เราเชื่อในคําสอนของพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าตถาคตโคที่ศรัทธาคือเชื่อในการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าสิ่งที่พระเจ้าตัดสิ่งที่พระเจ้าสอนต้องเป็นความจริงแน่นอนเป็นสัตธรรมแน่นอนเนี่ยถ้าหาว่าเรา ป, ป ฏ, ฏิบัติตามไปเนี่ยมันต้องเกิดผลดีแก่เราหรือว่าการที่พระองค์จะจะถึงพระนิพพานเนี่ยก็คือรู้ว่าอกายกับใจมันเป็นแค่รูปนามเท่านั้นเองอมันเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นแค่ธรรมชาติมันเป็นแค่สภาวธรรมมันมันไ ม, ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราจริง มันจิ้งอยู่ความรู้สึกว่าเป็นเราน่ยมันมีมันมีแต่ถ้าหากว่าเราเห็นความจริงาปฏิบัติจเจริญสติเข้าไปสติมีกําลังขึ้นมาเนี่ยใจตั้งมั่นขึ้นมาปัญญายาณมันเกิดขึ้นมันสามารถล่ความเห็นผิดตรงนี้ได้ความรู้สึกว่าเป็นตัวตนตรงนี้ดับทันทีเลยดับแน่นอนเลยเนี่ยเพราะพุทธเจ้าต้องดับความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็น ต, ตนตรงนี้ได้หมดจดเลยรล่างกายก็เป็นสัจธรกายจิตสัจธรจิตจริงๆเข้าสู่ธรรมชาติได้เนี่ยจิตจริงจิจริงจะเป็นอิสระได้ทีนี้ถ้าเราในฐานะองสาวก็เรายัง ไม่ถึงบรมธรรมเรายังไม่ถึงพนานิพานแต่ทางมีเนี่ยทางมีพระเจ้าตัดเลยว่าจุดหมายปลายทางมีอยู่แล้วทางก็มีอยู่แล้วผู้เดินทางหมายถึงเราเองผู้เดินทางเอาจริงหรือไม่อยู่ที่ก <Regard. S 2> ารเดินทางของเราต่อมาหลักข้อทีอ่สาผู้ทําร้ายสัตว์อื่นอยู่เบียดเบียนสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าสมณะเลยหมายความว่าความเป็นอยู่เนี่ยมันก็ต้องไม่เบียดเบียนไม่ทําร้ายคนอื่นสัตว์อื่นเนี่ย อ, อ, อยู่อย่างสงบเนี่ยมันมันต้องแสดงออกมาทางพฤติกรรมด้วยไม่ใช่ว่าพูดถึงพนานิพานพูดถึงธรรมส สูงแต่ใยการกระทำมันสวนทางสวนทางกับคาพูดมันไม่ได้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าเห็นความสําคัญต ร, ตรงนี้ก็ต้องสอนวางหลักเอาไว้ไม่เบียดเบียนไม่ทําร้ายใครอยู่อย่างผู้สงบสมควรแก่การเป็นสมณนะคือเป็นผู้สงบมีท่อนแรกเนี่ยเป็นอย่างนี้เนีย่ยหลักธรรมในวันในวันที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกคือหลักคําสอนในพระพุทธศาสนาตากแก่สาวก ข, ของพระองค์พันสอรบูกเป็นพรหลานทั้งหมดแล้วก็ทรงอภินยาด้วยมีอภิญญา ทั้งหมดต่อมาอีกท่อนที่สองอันนี้ทุกคนจะได้ยินบ่อยๆมากเราได้ยินในลักษณะว่าเป็นหัวใจของคําสอนของผู้เจ้าหรือหัวใจของพระพุทธศาสนากว็ว่าได้อันที่จริงบางทีก็เขาเรียกอริยสัจสีเป็นหัวใจนะคำสอนผู้เจ้าเพราะนั้นคือหลักไหนมันสําคัญบางทีก็จะพูดว่าเป็นหัวใจคําสอนพระพุทธศาสนา ก, ก็ได้เพราะมีความสําคัญไม่ทําชั่วสรรพปาปะสากระนังคือไม่ทําชั่วการไม่ทําชั่วทั้งปวงกุลสูกุสารสูปราสัมปทาทําความดีให้ถึงพร้อม จักิตาปริโยทัปนังเอตังพุท ธ, ธานศ า, าสนาทำความดีถึงพร้อมแล้วก็ชำระจิตให้ขาวรอบอย่างเรานั่งฟังธรรมแล้วเราก็มีสติอยู่กับธรรมะแล้วเราก็รู้ทันจิตใจของเราเป็นการชำระไปในตัวธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ถูกถ่ายทอดเข้ามาสู่จิตใจของเราเนี่ยธรรมะของพระเจ้าก็ออกมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่ประพฤติปฏิบัติแล้วก็ถ่ายทอดธรรมะของพระองค์เข้ามาสู่จิตใจของเราเราก็สามารถชำระใจเราได้ ให้มันขาวขึ้นให้มันสงบขึ้นให้มันสบายขึ้นให้มันตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าชำระจิตไปด้วยถ้าว่าเรามีหลักอย่างนี้เราจะไม่ทําชั่วพยายามไม่ทําชั่วถ้าว่าบางทีมันเออกลัวว่ามันจะเผลอไปเราก็ต้องใช้คําว่าพยายามไปจะได้ไม่มาตําหนิตัวเองไม่มาลงโทษตัวเองแต่ถ้าหากในแง่ของการปฏิบัตินะถ้าเผลอไปแล้วหลงทําไปแล้วก็ไม่ยึดอีกเหมือนกันนะโอ้มันแล้วไปแล้วนี่นะเราไม่ทันมันนี่สติปัญญาเรายังขนาดนี้อยู่เนี่ยเราไม่ใช่พลานนี่นะเออเกิดแล้วกระดับก็จะเป็นกุศลขึ้นมาเหมือนนกัน ความดีขึ้นมานเนี่ยทั้งทั้งที่มันเป็น inee? อกุศลเป็นความไม่ดีแต่ถ้าหากว่าเรารู้คําสอนของพระพุทธเจ้าเรามีสติตรงเข้าไปเห็นสภาว่าเหล่านี้ยเห็นว่าโอ้มันเกิดแล้วกระดับไปเนี่ยอกุศลเปลี่ยนเป็นกุศลได้ทันทีเลยสิ่งไม่ดีก็เปลี่ยนเป็นสิ่งที่ดีได้แล้วบางทีเนี่ยยิ่งมันมั น, ม, น, ม, นมันมีความทุกข์มากมันมีปัญหามากมันมันมีความทุกข์กุ้มลุมจิตใจเรามากแทบกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ถ้าหากว่าเราตั้งสติขึ้นมาเชื่อในคําสอนของพระเจ้าเชื่อมั่นในการตรั จเราตั้งสติขึ้นมาแล้วก็พยายามดูมันดูมันเฉยๆดูมันไปเดี๋ยวถ้ามันดับไปต่อหน้าต่อตาได้เมื่อไหร่โอ้โหยิ่งทุกข์มากก็สุขมากปัญหามากปัญญาก็มากเหมือนกับมันอุทานออกมาเลยก็มีนะบางคนเนี่ยโอ้โหนี่เหรอที่พระเจองค์สงสอนารเกิดและต้องดับเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ย<อ>มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรมันมันเกิดขึ้นในจิตอะ่ะมันเห็นชัดแจ้งเคยคุยกับพระองค์ท่า น, นาก่อป็นนครูบาาจยานนะ์ ท่านบอกว่ามีครั้งหนึ่งท่านว่าท่านฝันท่านฝันแล้วก็เอากี่ท่านเคลื่อนทีนี้ผ้านี่ถ้าเอาสี่เคลื่อนแล้วท่านก็ไปเหมือนกับว่ามันมันพอใจมันอาจจะเป็นอะไรมันมันคือมันมันมีเวทนาบางอย่างเกิดขึ้นแต่ปัญญาท่านเข้าไปถึงท่านก็คิดว่าท่านผิดละผิดพวินัยละพระเจ้าห้ามไม่ให้ทำเอาสี่ให้เคลื่อนแต่ยิ่งท่าไม่ได้ทำหรอกท่านฝันแต่ว่าปัญญาของท่านเข้าไปถึงท่านบอกทุกข์รุนแรงมากคิดว่าตัวเองเนี่ยต้องอาบัตสังฆที่เสร็แล้วผิดพวินัยแล้วโวยแย่แล้วเราเป็นผ้าแท้ๆมาทําผิิดวนัยเี่ย หนาสาหัสเนี่ยใจเนี่ยเศร้าหมองมากทุกทรมานมากท่านบอกว่าไอ้ทุกข์มันกุ้มลุมเนี่ยท่านบอกว่าถ้าหากว่าเอามือเอามือของนั้นมัดใส่มือแล้วก็มัดติดกับรถยนต์เนี่ยให้เขาลากไปเนี่ยเน่าให้ไถพื้นต ล, ลอกปอกเปลือขนาดไหนก็ไม่ทุกข์ทรมานเท่าจิตใจที่กำลังเป็นทุกข์อยู่แต่ท่านมีความเพียรท่านบากบัน่นท่านพยายามเนะี่ยไม่สุงสิงกับใครไม่ยุ่งกับใครพยายามเดินจยกองพยายามนั่งภาวนาเฝ้าดูเฝ้าดูเฝ้า ด, าดูมีวันหนึ่งอะสติมันไปทานเข้ามันไปเห็นตัว มันเหมือนกับมันถอยออกมาดูเฉยๆอะพอมันถอยออกมาพอจิตตัวเองอะไม่เข้าไปยึดอะเหมือนกับจิตเนี่ยมันมีกําลังอะพอมีกําลังปั๊บเนี่ยตัวตัวตัวสติเนี่ยมันเข้าไปเป็นคุณสมบัติของจิตอะจากจิตธรรมดาเนี่ยสติเนี่ยมันเข้าไปเข้าไปเป็นจิตที่มีสติสมาธิมันก็เข้ามาอยู่ในจิตความพยายามก็มาอยู่ในจิตเนี่ยความศรัทธาอยู่ในจิตเนี่ยปัญญาอยู่ในจิตพอมันมีกําลังเพียงพอปั๊บมันแทนที่มันจะไปดูเวทนาไปดูไอ้ความทุกข์ตัวนั้น่ะมันพลิกปั๊บกับมา ดูตัวเองอะ่ะเนี่ยมันเข้ามาหาตัวเองได้อย่างนี้นะมาหมาจิตตัวเองอะ่ะเนี่ยถ้าคนที่กําลังมีความทุกข์อยู่นั่นนั่นคือมันไปจมอยู่กับความความทุกข์มันไม่สามารถย้อนเข้ามหาจิตของตัวเองได้แล้วก็ไปหลงยึดทุกทุกนั่นอะ่ะว่าเป็นตัวเราเป็นของเราคิดว่าความทุกข์นั้นเป็นจิตของเราจริงๆไม่ใช่ความทุกข์อันนั้นอะ่ะมันเป็นแค่อารมณ์ชนิดหนึ่งมันเป็นแค่สังขารสิ่งที่มาปรุงแต่งจิตเท่านั้นถ้าเรามีกําลังพอนะเราเจริญสตินะมีจนจิตตั้งมั่นมีสมาธน้้ามีปัญญรูพวก เห็นพวกนี้ว่ามันขาดออกไปจากจิตเพราะมันไม่ใช่จิตเมื่อไหร่นะพวกนี้ดับไปทันทีเลยแยกออกมาทําได้ทันทีเลยเนี่ยวิธีดับทุกตามแนวทางของพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงต้องมีสติสัมปชัญญะต้องเจริญพยายามอยู่ทุกเรียบทโดยที่เราเป็นผู้ทําเหตุอย่างที่ว่านี้ผลเป็นยังไงกระจ้าถ้ามันยังไม่ดับก็รู้ว่าโอ้กำลังเรายังไม่พอเนี่ยถ้าดูไปดูไปเมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวมันถึงเวลามันดับไปถ้ามันดับน้อยๆปัญญาก็ยังน้อยถ้ามีเรื่องเราทุกมากอ่ะมันดับมากมันมีกําลังมากมันขาดออกมาได้เนี่ยบาง ได้มันมันมันสรุปเลยมันตัดสินลงไปเลยเนี่ยว้าวเนี่ยมันไม่ใีตัวเราไม่ใช่ของเรานี่นาเนี่ยสักแต่ว่าอันนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปน่ยมันก็จะแจ้งชัดขึ้นมาว่าการที่มันเป็นทุกข์ได้เนี่ยก็เพราะจิตเราไปยึดมันเท่านั้นเองเนี่ยจริงว่าทุกข์เนี่ยให้กําหนดรู้ผู้เจ้างสอนว่าทุกข์ให้กําหนดรู้ให้ดูเข้าไปดูเข้าไปจนจิตมีกําลังมีกําลังแล้วแทนที่มันจะไปจมอยู่กับทุกข์มันมาดูจิตมาดูจิตปั๊บจิตจะปล่อยปล่อยเวทนาเวทนาขาดออกไปจิตก็เป็็็นนนนนนจจจจิิิิตตตตเเเเวววทททาาาาปปคมุกกขออยู่้ง เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทุกก็เลยไม่ใช่เราอีกต่อไปมันเกิดแล้วก็ดับได้ทีี่ปัญญามันมันมันมันรุนแรงอ่ะมันมันชัดเจนอ่ะพอมันชัดเจนปั๊บมันสามารถที่จะตหารกิเลสได้เนี่ยมันก็เลยเกิดความเข้าใจขึ้นมาในขนาดนั้นเลยว่าอ๋อถ้าเราไม่ยึดมันมันไม่ได้มีอะไรเลยเป็นเพราะเราไปยึดมันต่างหากความทุกข์มันจริงเข้ามาครอบงําจิตใจเราได้ต่อไปนี้เราต้องพยายามไม่ยึดทีนี้พยายามนะบางอย่างในรายละเอียดอ่ะมันโกหกไม่ได้แต่ว่าพอเรารู้เรารู้เราเห็นมันบ้างแล้วเนี่ยมันก็จะเบาลงเบาลงอ่ะเนี่ ทุกเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้เนีมันจะต้องมีสติเข้ามาอยู่ให้จิตเราอยู่กับปัจจุบันเนี่ยอาการทางกายเกิดขึ้นยังไงเราก็เห็นมันเนี่ยพอเห็นมันแล้วจิตมีกําลังมันก็จะถอยมาดูจิตเนี่ยเพราะนั้นบางทีมันก็ดูกายมันก็ดูจิตบางที่ดูเวทนาบางทีก็ดูจิตครับเพราะอะไรอ่ะก็เพราะมันลงตัวอย่างเงี้ยวิธีของการปฏิบัติมันไม่เลือกอารมณ์หรอกเราไม่ต้องไปว่าเอ้ยจะดูอะไรดีนะเนี่ยมันเอ้ขึ้นมาเนี่ยดูตัวเองนั่นแหละโอ้มันเอ้เหรอดูมันเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็มีความพอด ถ้าไม่สบายๆอย่างนี้เดี๋ยวมันก็จะค่อยค่อยลงตัวเข้ามาเออมันเกิดแล้วก็ดับนะเนี่ยนะพอพอพอถ้ามันถอยก็มาหาจิตนี่แหละที่ที่ว่ามันต้องรู้จักตนอ่ะรู้จักตัวเองอ่ะมันก็คือต้องมาปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติแล้วมันก็เห็นปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราอ่ะมันก็จะมาศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเราอ่ะทีนี้อย่างนี้มันจะไปศึกษาในตำรายังไงยังไงมันก็ไม่เห็นยังไงยังไงมันก็ไม่แจ้งยังไงยังไงมันก็ไม่ชัดเพราะฉะนั้นมันจึงต้องลงมือปฏิบัติคําสออนขงเจ้านยยยมมััจรรรริิิิงพพ้้้้ออดดววปปตตฏบ ไปด้วยกันเนี่ยมันถึงจะมีผลคือปฏิเวทเกิดขึ้นอ่เพราะฉะนั้นถ้าหาว่ามีความทุกข์เกิดขึ้นให้เราตั้งสติเอาไว้แล้วก็พยายามมีสติดูลงไปก่อ น, นทีแรกเออเอาเห็นแตามันมันทุกข์ไหมว่ามันมีเวทนาเกิดขึ้นแล้วมันเป็นทุกข์แล้วก็ดูมันไปนกอด น, นะเพราะว่าเพราะว่าเรามันมันเกินกำลังเราที่จะเป็น เลยไอ้เราก็ไม่อยากมีทุกข์แต่ทีนี้กําลังจิตเรายังไม่พอกําลังทำเรายังไม่พอมันก็ต้องทุกข์ไปก่อนที่ยอมยอมเนี่ยมันไม่ใช่ เ, เรื่องเสียหายหรอกเนี่ยเพราะเพราะมันกําลังจะเรียนรู้เรากําลังจะศึกษาเรากําลังปฏิบัติพอเราเห็นมันปั๊บเนี่ยถักจิตเรา ม, มีกําลังเมื่อไหร่มันดับไปปั๊บเนี่ยนีหละมันมันมันก็จะเป็นธรรมขึ้นมาแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้กายเวทนาจิตธรรมเนี่ยมันก็จะมาเกิดขึ้นที่จิตใ จ, จของเราทั้งหมดคําสอนของพระพุทธเจ้าก็มาอยู่ที่จิตใจของเรานี่แหละ เขาจึงเรียว่าเป็นหัวใจคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นะหรือเป็นหัวใจคําสอนของพระพุทธศาสนาก็คือว่าไม่ทําชั่วแล้วก็ทําความดีแล้วก็ต้องมาชำระจติตหรือมีสติเข้ามาดูจติตรักษาจิตไว้แล้วอวริยสัจจีมันก็จะเกิดขึ้นที่จิตของเราเนี่ยมันก็จะเป็นธรรมะต่างๆก็รวมเข้ามาที่จิตเราหมดอ่ะทีนี้เราจะพูดตามมาในแง่ไหนอ่ะในแง่ปฏิจสมุบาเหรเอ อ, อันนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ดับไปเนีไปตามเหตุตามปัจจัยเข้ามามี่เหตุมันก็เกิดขึ้นเหตุสมควรเกี่ยวกับ มันก็ดับของมันได้คือพูดให้มันรัดสั้นเข้ามามันก็เกิดเป็นเป็นมันเป็นนวงจรแห่งทุกข์ภายในจิตของเรานี่แหละถ้าเราทันมันมันก็ค่อยดับไปถ้าไม่ทันมันมันก็ทําให้เราเป็นทุกข์ได้มันก็เกิดในจิตอ่ะเพราะฉนั้นธรรมะทั้งหลายของพระพุทธเจ้าต้องออกไปจากจิตของเราถ้าอยากรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ต้องมาปฏิบัติที่จิตของเราเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงสอนตรงลงที่จิตนะเพราะนั้นเป็นสองสองตอนตอนหนึ่งก็คือว่าวางหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าชัดเจนว่ามีหลักเป็นตัวของตัวเองอย่างนี้ตบะก็่ใชตบะยาง รัตที่อื่นเนี่ยบำลมทำรรก็ไม่ใช่ว่าต้องไปอยู่กับพระพรหมไปอยู่กับเทพอันนั้นอันนี้หมายถึงความหมดสินาสวักิเลสเนี่ยแล้วความเป็นอยู่ก็ไม่มีการเบียดเบียนใครไม่ทําร้ายใครมีความสงบเยือกเย็นซึ่งออกมาจากภายในแล้วเวลาจะไปสอนจะไปแนะนําคนอื่นก็มีหลักหลักในการสอนให้เป็นอันเดียวกันว่าต้องสอนไม่ทําความชั่วและให้ทําความดีแล้วต้องชําระจิต ด, ด้วยถ้าว่าสอนอยู่ทําดีทําชั่วอันนี้มันเป็นพื้นๆ น, นะมันมันเป็นเหมือนว่าศาสนาอื่นนะมีด้วยกันทั้งนั้นแหละเราตามดูได้เลยนะแต่ สือเข้ามาจิตนะมาดับทุกภายในจิตมาชำระจิตเนี่ยยังมั่นใจว่าเข้าไม่ถึงาศาสนาอื่นเข้าไม่ถึงมีาศาสนาพุทธของเรานี่ยแหละเพราะฉะนั้นในอ่ า, อ า, อาวันวันที่พระพเจ้าจะปฏิบัานพระพุทธเจ้าจึงตัดกับสาวกองค์สุดท้ายของพระองคอ์ที่พระองค์จะบวชให้ที่ที่เป็นสาวกโดยตรงจากพระองค์ว่ า, าถ้าว่ า, าศาสนาใดไม่มีอริมกักมีองแปดแล้วก็ไม่ไม่สามารถบรรลุมรรคผลบรรลุนิพพานได้แล้วพระองค์ก็วอกเนี่ยศาสนาของพระองค์เท่านั้นที่มีอริมักมีอง์แปดเพราะฉะนั้นเราเนี่ย ต้เป็นผู้มีบุญมีกุศลมีมีบา ร, รมีนะได้ฟังธรรมะของพระเจ้ามีศรัทธามีความเลื่อมใสในคําสอนของพระพุทธเจ้าโอ้แล้วก็เราดันโดนมาอย่างเงี้ยถ้าหากว่าไม่ใช่เป็นพ่อแรงศรัทธาไม่เป็นพ่อแรงบุญแรงบา ร, รมีของเรามันเป็นไปไม่ได้หรอกเนี่ยแต่ทีนี้มันก็อยู่ที่ความเพียรของเราความพยายามของเราที่จะเจริญสติอ่ะที่จะเอามาประพฤติปฏิบัติให้ธรรมะของพระพุทธเจ้ามาเป็นธรรมะของเราทีนี้เวลาออกเผยแผ่ธรรมพระองค์ก็วางหลักอนุปวาโดอนุปกาโต ไม่พูดร้ายไม่กล่าวร้ายเนี่ยปาติโมกเเคจะสั่งร้ให้ซ้ำรวมในปาติโมก ค, คือผู้ที่จะสอนเขาเนี่ยมันก็ต้องเป็นต้องให้มันเป็นแบบอย่างน่าเลื่อมใสมาตันยิตรเจพัสตสนิงเนี่ยให้รู้จักประมาณในการบริโภคก็คือให้มีความพอดีนั่นแหละไม่กล่าวร้ายไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายแล้วก็สํารวมปาติโมกก็คือเป็นหลักแปดเรานั้นท่านพูดกับพระนี่นะก็มีพระอ่ามันเป็ น, ปนมันเป็นหลักในการดําเนินชีวิตของพระว่าเอออยู่ร่วมกันแล้วนะพระเนี่ยจะอยู่ด้วยกันได้เนี่ยมันต้องมีหลักอันเดียวกันนะ อีก ม, มีสิกขาบทนาที่พระพุทธเจ้าบัญญัติแล้วแล้วภาคกันปฏิบัติตามเนี่ยมันจะเปไ็นหนึ่งันเดียวกันทันทีเลยเนี่ยเวลาสอนก็มีหลักการสอนอันเดียวกันความเป็นอยู่ก็อยู่อย่างแบบเดียวกันแต่เราก็น่าเสียดายพอเวลามันล่วงเลยมาจนถึงปัจจุบันนี้หลักพระปฏิโมกมีแต่ว่าหาผู้ประพฤติปฏิบัติตามเนี่ยมันก็น้อยลงไปเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะกำลังสู้กําลังของกิเลสความอยากความต้องการไม่ไหวสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีแรงดึงดูดมันทําให้ทําให้ผ้ ผู้ที่จะสืบทอดศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันก็ไหลไปกับโลกไปทําตามโลกไปตามกระแสโลกการที่จะมาสํารวมในพระปาติโมกข์ซึ่งเป็นหลักของพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธเจ้าตัดเอาไว้เองเนี่ยมันก็จะไม่มีแล้วน้อยลงไปแล้วแต่ถ้าหากว่ากลับมาปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเนี่ยหลักธรรมของพระเจ้าก็จะกลับมาพระพุทธศาสนาก็จะเป็นที่พึ่งทางจิตใจของชาวพุทธต่อไปแต่ถ้าหากว่าไม่ทําตามมันก็จะเสื่อมถอยลงไปเรื่อยๆเหมือนกันครัพระก็จะไม่แตกต่างกับญาติโยมหรือคารวะ ยอดโยมอีกต่อไปเพราะมันเป็นอันเดียวกันแล้วถูกกิเลสครอบงาเหมือนกันแทนที่จะเป็นที่พึ่งแทนที่จะเป็นผู้ที่นํานทางนําแสงสว่างเข้าสู่จิตใจของของชาวโลกมันก็ทําไม่ได้เพราะว่าความมืดมันก็เข้ามาอยู่ในจิตใจของผู้ที่จะบอกจะสอนเองมันจึงรู้สึกว่าน่าเสียดายมากแล้วกับการสํารวมรู้จักประมาณในการบริโภคบริโภคในทีน่ทั้งอาหารทั้งเครื่องใช้ไม่ร้อยยู่งสิ่งที่อยากคิดดูนะชีวิตของเรามันไม่เท่าไหร่หรอกมันเหมือนทุกคนก็รอวันตายเพราะถ้าหาว่าคิดถึงว่าเออชีวิตของเรามันไม่ เจ้าลายสุดท้ายมันก็ต้องตายไปอ่ะมันจะเบาลงไปตั้งเยอะเลยนะแล้วก็ถ้าเรายิ่งเข้าไปเห็นจิตใจของเราโอ้ยทุกสิ่งทุกอย่างมันไปจากจิตของเราที่มันตรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยเราไม่เป็นทาาของมันอีกต่อไปอ่ะมันเกิดดับให้เห็นต่อหน้าต่อตาเนี่ยเราเป็นอิสระจากมันอ่ะไม่ต้องมีอะไรมากมายเท่าไหร่เอาเอาเอาให้มันเป็นให้มันชีวิตเรามันก็มีสาระมีแก่นสารมากขึ้นมาเนี่ยการที่เราจะไปดิ้นรนข้นขวายอะไรมากมายเนี่ยมันก็ลดลงไปเราก็จะมีเวลาประพฤติปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธ น้อยลงไปจากจิตใจของเราเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยมันก็จะสมบูรณ์ขึ้นเนี่ยคำสอนของพระเจ้ามันจะมีค่านะเนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยที่พระพุทธเจ้าตัดในสถานที่แห่งนี้ล่ะนะที่เรามาประชุมกันในวันนี้เท่ากับว่ามาฟังโอวาทของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นหลักของคําสอนของพระองค์เลยแล้วสิ่งที่เรากําลังพูดกันเนี่ยก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าจัดกับสาวกของพระองค์ในวันนั้นด้วยปันทางปันตันจัตสยาสนางังให้อยู่ในที่สงบสงัด น, นะคือไม่อยากให้คุกครีมากบมูยย่เน่ยถ้าอาว่าไปคุกคีตีโมงมากจิตใจมันจะไหลไปกับอารมณ์ต่่าางๆมกะ ความฟุ้งซ่านก็จะเข้ามาอารมณ์ต่างๆเข้ามาจิตใจที่จะสงบจะตั้งมั่นจิตใจที่เป็นอิสร ะ, ะเป็นตัวของตัวเองมันก็จะไม่มีมงนไม่มีแล้วเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้พอเรื่องอะไรนั้นก็ดึงไปเรื่องนี้ดึงจิตไปเรื่องการงานก็ดึงจิตไปเรื่องข่าวของเงินทองดึงจิตไปเรื่องคนนั้นคนนี้ดึงจิตไปเหตุการณ์นอนุนันนี้ดึงจิตไปบางทีอยู่ห่างไกลเราตั้งเยอะตั้งแยะมันก็มีผลต่อจิตใจเราอะ่ะนี่มันเสียเวลาไปหมดเลยจิตเราอ่ะมันก็มันไหลไปกับเรื่องราวต่างๆข้างนอกหมดอ่ะเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้ ในที่สงัดก็แล้วกันสงัดซะก่อนไม่พ้นจากไอ้แรงดึงดูดไอ้ที่มันมันจะมาดึงดูดจิตเราไปให้จิตเรานี่มีโอกาสเป็นอิสระบ้างกลับเข้ามาหาจิตของตัวเองแล้วก็ทําจิตให้ยิงอาทิตจิตแต่อาจจะอายุโขทําจิตให้ยิ่งก็คือจิตเป็นสมาธิจิตตั้งมั่นเป็นจิตที่มีปัญญาพอมีปัญญาอามมันมัอย่างน้อยมันสงบมันตั้งมั่นขึ้นมาแล้วมันก็อยู่ระดับหนึ่งแล้วสบายขึ้นระดับหนึ่งแล้วยิ่งมันตั้งมั่นมันมีกําลังอ่ะมันเห็นสิ่งต่างๆมันนออยู่กจิตอ่เออยาคเาาาาาามมมมพิจทํตวหะสม อันไหนไม่มีประโยชน์เรามีอำนาจเหนือมันเรามีพลังใจเหนือมันเราตัดมันออกไปได้ทั้งหมดเนี่ยเป็นคำสอนของพระยาบทุกพระองค์เพราะฉะนั้นอยากจะสูบในวันนี้อ่านในฐานะที่เรามาอยู่ยังสถานที่ที่พระพุทธเจ้าของเราเสด็จมาที่นี่ในวันนี้คือวันมาค้าบูชาคือมายังสถานที่นี้เป็นวันเพ็ญเมรดสาพอพุระเจ้าเสด็จมาแล้วสาวกของหลวกงก็มาพร้อมกันที่นี่ด้วยโดยมิได้นัดหมายนี่เียงเป็นความอัศจรรย์มากแล้วสาวกทุกองคเป็นพ่อหลานแล้วก็มีอภิญยาทรงอภิญญาอกทั้งแล้ว ผู้เจ้าวบวชให้ทั้งหมด1250รูปแล้วก็ผู้เจ้าองค์หนึ่งมีครั้งเดียวทุกพระองค์จะต้องมีวันมาค่บูชาได้หนึ่งครั้งเท่านั้นทุกพระองค์จะต้องมีแล้วโอวาทปาติโมกที่เราได้ยินได้ฟังในวันนี้ก็จะเป็นโอวาทปาติโมกอันเดียวกับลองคิดดูสิคําสอนของพระพุทธเจ้าในครั้งที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ตัดกับพ่อลหา 1, ลานหนึ่ันสองร้อรูปบัตรนี้คาสอนนั้นนะ่ะถูกถ่ายทอดมายังจิตใจของเราแล้วเราจะทํายังไงกับคําสอนของพระพุทธเจ้าเราจะเอาเข้ามาเเป็นหลักยยึดดีว ภายในจิตใจของเราบ้างได้ไหมให้สมกับที่เราได้ข้ามน้ําข้ามทะเลมาเสียเงินเสียทองมาขนาดนี้ยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างอดทนต่อความเหน็ดเหนื่ยอยเมื่อยล้ามายังสถานที่แห่งนี้ถ้าหากว่าเราได้ประโยชน์จากธรรมะของพระพุทธเจ้าสามารถนําธรรมะของพระพุทธเจ้าให้มีคุณค่าต่อจิตใจของเราการมาของเราเนี่ยมันก็เกินคุ้มแล้วก็ให้เราปฏิบัติเพื่อบูชาธรรมะของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เราได้อาศัยสถานที่อาศัยอนุสาวรถึงพระพุทธเจ้าเพื่อ สร้างกำลังของจิตใจของเราให้มีกำลังใจที่จะประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์เราดูตัวเองเป็นโอกาสสุดท้ายนะดูตัวเองเป็นโอกาสสุดท้ายรวบรวมกำลังจิตใจของเราการดูตัวเองการปฏิบัติธรรมนี่แหละเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเราอย่าลืมพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าบุคคลใดปฏิบัติธรรมบุคคลนั้นชื่อว่าบูชาเราตถาคตให้เราเข้าใจว่าละว่าเราอยากบูชาพระพุทธเจ้าพระพระองค์กตต่อไปว่า บุคคลใดอยากบูชาเราตถาคตให้ปฏิบัติธรรมเพราะว่าการปฏิบัติธรรมนั่นแหละคือการบูชาเราอย่างแท้จริงเนี่ยเพราะฉนั้นเราเขารู้คำสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าขอให้นึกถึงสาระที่แท้จริงของคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะไม่หลงออกไปจิถืออะไรลูกคําอย่างอื่นจนกระทั่งมันจะกลายเป็นว่าลูกคําในสีและพจน์เดียวกับีลับพระตัปทามาพอมันไม่ตรงไม่กระทบไม่ตรงกับพระประสงค์ของพระพุทธ พระเจ้ามันค่อยเอื้อน่างออกไปจากแก่นธรรมจากสาระแห่งธรรมของพระองค์เนี่ยมันก็กลายเป็นการลูกคำไปมันไม่ตรงเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องพยายามให้มันตรงเราจึงรวบรวมกําลังจิตใจดูตัวเองเป็นโอกาสสุดท้ายดูให้จิตเนี่ยอยู่กับปัจจุบนันอะไรเกิดแค่แ่รู้แค่รู้รอ่ารู้มันพอเรารู้แล้วก็จิตของเราก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันก็อยู่ตามธรรมชาติถ้าเราเห็นว่ามันอยู่ตามธรรมชาติได้โดยที่สิ่งต่างๆเนี่ยมันไม่มีผลต่อจิตใจของเราชื่อว่าจิตใจของเราละมันเห็นว่า หมายว่าจิตใจเราเป็นอิสระชั่วขณะหนึง่งเนี่ยใจของเราก็อยู่กับใจอยู่กับใจที่มันเป็นอุเบกขาอยู่กับใจที่ไม่มีอะไรเข้าไปตรงแต่นี่แหะที่พระผู้เจ้าอสอนให้ละความยินดียินยร้ายจิตใจเราเป็นปกติจิตของเราไม่ได้ยินดียินร้ายกับอะไรเนี่ยก็แสดงว่าจิตใจของเรามีธร ร, รมขึ้นมาแล้วความปกติก็เป็นศีลขึ้นมาในใจของเราก็เป็นศีลเนี่ยใจของเราเป็นสมาธิขึ้นมาเนี่ยก็เป็นสมาธิศีลสมาธิจิตเรามีปัญญาเห็นว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราขึ้นมามันก็เป็นปัญญาศีลสมาธิปัญญา ก็อยู่ในใจของเราอาธิสิาธิจิตอาธิปัญญาก็อยู่ที่จิตของเราจริงว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันอยู่ที่การปฏิบัติจิตของเราจากนั้นตัวตั้งใจอุทิศบุญเราจะตั้งปณิธานอะไรให้แนว แ, นวแนว่ให้มีน้ําหนักเราก็ทําได้เราผ่านมาอย่างพุทธคยาสถานที่จักสรู้ของพระพุทธเจ้าก็มีแรงบันดาลใจกับเรามายัางสถานที่แห่งนี้ก็เป็นสเซนทีส่สถานที่สําคัญเหมือนกันมีความสําคัญเพราะว่าพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งก็จะต้องมีเหตุการณ์อย่างนี้ เกิดขึ้นครั้งหนึ่งก็ต้องมีหลักคําสอนที่แน่ชัดที่แตกต่างจากละที่อื่นแล้วก็เป็นหลักให้สาวกของพระพุทธเจ้ายึดเหนี่ยวการสืบทอดคําสอนของพระองค์ในใบ ป, ประพฤติปฏิบัติมันก็จะตรงไปสู่จุดหมายปลายทางของพระพุทธเจ้าได้เราก็ต้องรวบรวมกําลังใจอาศัยอนุสอนถึงพระพุทธเจ้ามาอยู่ในเหตุการณ์ซึ่งเคยเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันมีทําให้จิตเรามีกําลังมีพลังแห่งจิตใจบางทีมันมีอานุภาพต่อจิตใจของเราเป็นแรงบันดาลใจทําให้ใจเรามีกำลัง ลังมีน้ำหนักมีความเด็ดเดี่ยวมีความอาถารขึ้นในจิตใจของเราบางสิ่งบางอย่างโดยธรรมดากำลังเราไม่พอแต่มายังสถานที่แห่งนี้แล้วบางทีมันละได้มันปล่อยวางได้มันออกไปได้เนี่ยมันก็จะมีผลต่อจิตใจของเราจากนั้นก็ให้เราเนี่ยได้อุทิศบุญโดยเฉพาะาผู้ที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้เนี่ยให้เรารวบรวมกำลังบุญของเราความน่าประพุทิประธรรมประสงค์จงดมแดลบุญของข้ า, าวเจ้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้เราดวงวิ ญ, ญญาณทั้งหลายทั้งที่เป็นภ อริยเทศหรือว่าเหล่าเทวดาทั้งหลายอามนุษย์ทั้งหลายที่ปกปักรักษาคุ้มครองสถานที่แห่งนี้ที่รักษาสถานที่แห่งนี้ตลอดจนผู้ที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลพระพุทธศาสนาช่วยจันหลงพระพุทธศาสนาช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ประพฤติปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าตลอดจนผู้ที่กําลังต้องการบุญจากขาพจาทั้งหมดทั้งสิน้นขอให้ยินดีรับอาวุนนี้ด้วยเถิดเมื่อรับอาวุนแล้วต้องการสิ่งใดคอยสมความปรารถนาะโดยอนุภาพ แห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้อุทิศใหแล้วนี้เมื่อสมความปรารถนาแล้วก็ให้มาปกปักรักษาคุ้มครองดูแลช่วยเหลือเกื้อหนุนข้าพเจ้าทําสิ่งใดต้องการสิ่งใดก็ขอให้มีแต่ความสําเร็จข้าพเจ้าต้องการปฏิบัติธรรมก็ขอให้มีความเจริญก้าวหน้าในธรรมะของพระพุทธเจ้าให้ยิ่งขึ้นไปหรือทําสิ่งใดก็ตามก็ให้มีแต่ความเจริญมีแต่ความสําเร็จมีแต่ความราบรื่นตลอดไปข้าพเจา้าจะมาทํ า, า, วท า, าวทความดีหมั่นประพฤติปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าต่อไปหรือว่าเราอยา อุที่บุญให้ใครเราก็อุทิศให้ดาวันนี้เลยมีแต่คณะของเรา